หมูเพื่อนไปนวดเส้นให้ตอนกลางวันจะให้มันหลับตั้งหน่อยคือวันไหนมันกำเริบ ม, มากมันนอนไม่หลับนะมันกระตุกคุณน้อยอะไรอุปคุฎอย่างนี้แหละทำนวดให้ถ้าเวลาผมหลับให้ปลั๊กมันไปเลยนะไม่เกิดประโยชน์ลยนวดไ ป, น, ไปนวดไปไม่ค่อยพอมันหลับไม่ไมีเพื่อนมาไปเดี๋วนี้พอมันหลับหมู่เพื่อนยังไม่ไปที่ ว่ามันเตะมู่เพื่อนจนล้มแต่พระผู้ที่นวดอยู่อยู่นี้อยู่ทางต้นขานี่ยวมันใส่จนล้มมึง น, นะนู่นนะฟังสิเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาไปไง่ายเจ็บไหมใช่ไหมไม่เจ็บเราเพราะอยู่ทางต้นขาเตะไปโน่นเหมือนขนาดนั้นนะนี่ใครบังคับมันเรื่องขันมันเป็นทั้งหมดเองเหมือนอย่างไฟไม้ไต่อไผ่ระเบิดเปิ้งตั้งตั้งตั้ ง, งเหมือนกของมีวิญญาณ ความจริงไม้ไผ่มันก็ไม่มีความรู้สึกมันไม่มีความหมายในตัวของมันและไม่มีความหมายในไฟไฟก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในไม้ไผ่ที่มันไหมระเบิดปึ้งบ้างต่างอันต่างไม่รู้ความหมายแต่มันก็เผาอยู่งนั้นว่างไงจนกระทั่งเป็นเท่าเป็นฐานไปเรื่องธาตุเรื่องขันต่างอันก็มีความหมายตัวเองรูปมันก็มีความหมายในตัวของมันและมันไม่ไม่มีความหมายในทุกขเวตนา ทุกเวทนาก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่อยู่ความหมายในร่างกายมันก็ปฏิบัติมันก็เป็นต่อกันได้อย่างนั้นเช่นเจ็บปวดนั่นเจ็บนั่นปวดนี่ถ้า ก, กระตุกอะไรๆนี่มันเป็นเรื่องของมันอั่นคือความหมายไม่ได้จิดตื่นผู้รับทราบรับทราบรับทราบเท่านั้นเองแต่ิตไม่ตื่นเส้นแต่กับมันแล้วอะไรจะตื่นอะไรจะจะเป็นทุกข์ ก็รู้สภาพมันทุกๆอย่างอย่างเช่นเดียวกันเราดูกองไฟนี่มันจะเผามันจะ้วจนเปล่มันจุดเมฆมันก็เป็นไฟกับฟืนเผากันมันไม่ได้เผาเราเราไม่ได้อยู่ในนั้นนี่นี่จิตที่เข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมันก็เป็นตำหนองนั้นนะฮะว่ามันจะมาเผาจิตได้ยังไงเพราะฉันกล้าพูดคิดว่าอ่าอันนั้เราไม่รู้ก็ตามเราก็กล้าพูดโดยสร้างปฏิบัติของเราเนี่ย น้องที่ในพุทธวัดมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกุชินาราจะประทิษานที่หนั่นแล้วไปทรงกระหายน้ำแล้วอ่อนเพรียรักสัให้พนนไปตักน้ํามาให้สวยแล้วรักาให้พระนวลให้รากสังขารก็ปูบูทั้งพาให้กฆาติลงอนุนเราเหนื่อยเราจะพักผ่อนให้รากสังฆาติลงที่นี่ อานนท์ตักน้ำมาให้เราดื่มเราหายน้ำเต็มทีนี่ที่มัดยึดเอาอนี้ว่าพระพุทธเจ้าเสวยทุกเวทนาผมได้ฟังนี่เจ้าฟ้าเจ้าคุณนมัาเทศอยูที่วัดนี่นะว่าพระพุทธเจ้าก็เสวยทุกเวทนายกตัวอย่างขึ้นมานี่ผมสลดใจตึง เ, เลยอ๋อเป็นอย่างความจำกับความจริงนี้มันผิดกันคนละโลกอย่างนี้เองนะ่ เดี๋ยวเราก็ไม่ค้ า, านผู้ที่ย่าททุกเหว่ยทุกเวรนาเพราะั้นท่านไม่อยงั้นท่านจะพูดอะไรว่าอานน์เราเหนื่อยอานน์เราก็หายน้ำต่างน้ำหายเราดิทีนี้มันไปคนละโลกกับความจริงพูดภาษาของเราให้ฟังชัดเจนก็อานน์รถเหล่านี้เวลานี้นนะเนี่ยรถกับคนขับมันคนละอันคนละอย่างนี่นะอานนท์ รถนี่มันจะหมดน้ํามันเอาน้ํามันมาเพิ่มหน่อยมันจะเราจะหมดน้ำมันมันจะไปไม่รอดแล้วเอาน้ํามันมาเพิ่มมันโยนน้ามาใส่เต็มเราเทียบเยอะแยะเท่นี้แะเพื่อเติมน้ํามันแล้วมันจะไปถึงที่ของมันแต่รถโยนมันเติมแล้วไปถึงไหนก็ไปได้อันนี้พอเดียวยาแต่ให้ถึงที่มีขันของเราเนี่ยอันนี้มันเทียบแล้วอันนน มันต้องการน้ํามันเพียบแล้วมันต้องการทักแจะพูดว่าต้องการถ้าพักมันสบายใจผู้รับผิดชอบรู้อยู่นีถ้าทักแล้วจะขันนี่จะค่อยบรรเทาลงไปถ้าเดดื่มน้ําแล้วขันนี้ก็จะบรรเทาลงไปเพราะใจผู้รับผิดชอบทราบอยู่เด่นอยู่รู้อยู่นะจึงต้องบอกพระลงกระจานน้ํามาเพื่อขันนั้นนี้พระสังคาตีเพื่อความเพลิดเ่ลินของขันนี้มีใจผู้รับผิดชอบแต่ไม่ใช่ใจเป็นผู้อุปทาน รู้ปฏิจจ ա ชาติอย่ า, า ง, งนั้นนั่นความจริงเป็นอย่างนั้นท่านสเสวยที่ไหนเอาอะไรมาให้ท่านสเสวยเป็นขนาดพระอรหรันต์จิตหลุดพ้นแล้วจากสมมติทต้องพวงทุกเวทนาเป็นสมมุติมันเข้ากับใจปองปลาหันได้ยังไงนะัเอาตรงนั้นสิท่าปฏิบัติแล้วต้องเอามันถึงที่สิเมันเห็นชัดๆดสิสามโลก่านนี้มาค้านก็ไม่หวัน่นมันลบ ก, ก็ไม่สูญความจริงอันนี้นนะ่ะเกียรติเป็นี่สุทธิี่ริิวิมุตติเกียตแล้ววิสุทธิจกียรติวิมุตติเกียรติแล้วทุ มันเป็นสมมูิอันนี้จางทุขังน้าตามันต้เข้าจิตวิมุติจิตได้ยังไงอันหนึ่งเป็นวิมุตต์อันหนึ่งเป็นสมมูิเพียงเท่านี้มันก็เข้าใจแล้วนีเราคัดค้ากันเนี่ยเราพูดภาพายนอกเราคัดค้ากันก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นถึงแต่ขณะท่านบรรลุธรรมถึงวิมุตต์หลุดพ้นแล้วเท่านั้นเนี่ยเรื่องเวทนาใดก็ตามตาไม่เข้าเกี่ยวข้องกับจิตดวงนั้นได้เลยตายก็ตายไปด้วยเรื่องของขันมันทนไม่ไหวเท่านั้นแหะ นั่นจริงเรียกว่าบริสุทธิ์อันหนึ่งสมมติอันหนึ่งนิมมดไปเข้ากันได้อย่างไรมันเป็นหลักธรรมชาตินี่จิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นหลักธรรมชาติตัวเองนหนึ่งขันมันก็เป็นหลักธรรมชาติมันแต่ละอย่างอย่างต่างอันต่างจริงมันอยู่ถ้าเราไม่หลงมานก็อันต่างจริงผู้ไปหลงก็ผู้ไม่จริงไปหลงยึด เพราะนัพิจารณาให้มันถึงความจริงแล้วต่างอันต่างจะได้จริงจะไม่ต้องปยุ่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เกิดเรื่องเกิดราวก็ความิีดใจอยาบย่ำทําลายจิใจตัวเองเพราะความหลงคําตัวเองความมิถุนเองให้มันหนักปเปล่ายืนเทปกระพายกระพุณงหนัเทปผมฟังมันสะเด็ดสะดุดใจเหมือนอย่างท่านคุณ วิชาเอาผมแล้วมันเทศอยู่วัดโพนผมก็นั่งฟังนั่นเพราะท่านมาเอาผมไปเรื่อยว่าจะมีงานอะไรต้องเอาผมไปไประเทศเลยงานก็มาจะมาทอดผ้าปงผ้าป่าท่านช่อมโบสถ์ของท่านแล้วจะอะไรทำโบสถ์ที่หลังคาโบสถ์ใหม่ให้เป็นสามรถอะไรนะ่ะแต่ก่อนมีอันเดียวให้เป็นสามรถไปยืมคนม า, มากุดมาหนึ่งหนึ่งแสนรือว่าหนึ่งแสนสองหมืนะไ นี่ก็เดี๋ยพยายามหาเงินให้เขามาซ่อมอันนี้ทำหลังคาใหม่แล้วก็ทางลูกศิษย์สุพัทาท่านมาก เ, เดี๋ยวทางสกลมาเดี๋ยวทางนาครมาเดี๋ยวทางขอนแก่นมาทางนู้นมาทางนี้มามาทาาา่าพรป่าใครมาจากไหนก็ตามก็ต้องมาลาก เ, าเรเาเป็นผู้เป็นเทพนี่ย เราึงต้องในเกี่ยวข้อ ง, สงเสมือไปข้างที่วัดโพลอยบ่อยตอนท่านอยู่คุณอุปชาญายังมีชีวิตอยู่ผมไปข้างวัดโพลยบ่อยเพราะถูกเอาไปเนี่ยสุดไปลากไปแม่สุดเราบอกเราไม่สบายอย่ไม่สบายเวลาไปนี่มันหายเองเหรอผมว่างั้นเพ <c oughs> ีไปอย่าไปเท่อันนี้วันหนึ่งมีงานอะไรไม่รู้นะเราก็ได้ไปในงานนั้นท่านเป็นผู้เท่ตอนนั้นเลยไปถึงเรื่องนิพพานเป็นนาตายสิ <c oughs> อนิพพานก็เป็นหน้าตมันก็สะดุดปึ้งอีและนีะดีแล้วเฉยพอท่านไปกูติแล้วก็ตามหลังไปต่างทำไมพระเดชพระคุณยังเทศว่านิพพานเป็นหน้าตาก้อนบังคับไม่ได้ก้อนนิพพานไม่ใช่ผู้ตองหานี่บังคับหาอะไรแล้วมาืองสท่านเลยเงียบเลยโ อ, อน้าต า, าเป็นตรายล้ำใช่หรืออนิยธรรมทุกขังนต า, า, านี่เป็นทางเดินของพระ น, น, นิพพพริพพานพิจารณาอิยรทุกขังน้าต า, าสมมูร์เป็นที่แล้วจึงก้าวไสุนิพพานได้ นี่เหตุใดนิพพานจึงมาเกาดเป็นออนัตตาเองก็เป็นนิพพานก็เป็นแปรรักมันไม่เสียดสีถึงอะไรวาท่าน น, นิง่งนม่เหมบอนก่อแต่เอาสองข้อสองนะพ่อกับลูกนี่พูดกันเราพูดด้วย ว, วยด้ผลเพื่อความเข้าใจเราไม่ได้พูดเพื่อประจานขายหน้าท่านอะไรเพราะฉะนั้นเรา จ, จรึงไม่พูดในขณะนั้นแต่หาท่านโดยเฉพาะท่านนิ่งเลยนะไม่พูดส ก, กรรม ส, ส่วนมากท่านเองนั่นแหละ มีกรารเลาเเป็นฝ่ายโจมตีท่าน <c oughs> เราเนี่แหละเป็นตัวเบอร์หนึ่งแต่เราเชื่อเจตนาของเราตอนนั้นหละ <c oughs> เหมือนพ่อเรานี่ก็พ่อพระอนันว่าไงพ่อเรา <c oughs> <c oughs> ข้าหลังไปล่ะบัวบัวอะไเงี้ยบัวไปทำไมเจ้าพูดถูกต้องก็นั่งหนาเม่อบัวโอ๊ย่อยพูดผิดแล้วดูบัว เราไปเจียวให้เสียเมื่อท่านยอมรับแล้วเราก็เฉยเลยหลายครั้งต่อหลายครั้งละ่ะที่จะไปค้านท่านในเรื่องต่างๆไม่เห็นด้วยแล้วชี้แจงเหตุผลท่านทราบด้วยท่านยอมรับท่านไม่เคยค้านเรกในขณะที่ฟังแรกท่านแตั้งนิ่งหมดเลยละ่ะยอมรับทา่านก็ไม่ว่าค้านทา่านก็ไม่ว่าพอไปครั้งที่สองเนี่ยอจะท่านจะกระจายมาหมดเลย เรายังไม่ลืมท่านพูดเล่นกับเรานะแต่ท่านอยู่วัดเทพบุรินทรนะ์เรายังไม่ลืมไปด้วยกั น, กนบันนี้บัวอืมันดีเฉยๆบัววางนะั้นเราก็มองนี่ต่อไปนี้เจ้าจะเป็นเจ้าจะเป็นจุ้ณอุบลีน้อยนะเจ้าเทศเก่งมากนะบัวนะเจ้าจะเป็นเจ้าคุณอุบลีน้อยนะเ้าเทศเก่งมากนะแต่ถ้าไม่มีปัญหาเทศทพเจ้าเป็นที่หนึ่งวางนี้นะ แต่ถ้ามีปัญหาการตอบปัญหาเป็นที่หนึ่งไูโอ้ค่อยชอบมากตอบปัญหานี่ ม, มันทันใจเล้วเกินเจ้าคิดยังไหงหัวมัน้งพอถามม า, า, าปั๊บปลูกตอบปุ๊บเนะค่อยนี่ไม่ได้ไม่ไรหวัวหบขาดด้วยกันพูดสนุกดีใครไหนนั่นนงเอาเราไปเทศเนะี่ยท่านรู้สึกว่าท่านเมตตามากกับเรานะ่ โอ้ท่านปฏิบัติจิตภาวนาของท่านเล่นไหม่กรรมฐานเรายังสู้ไม่ได้นี่ยเออท่านทําสิงทำจังท่านบิสมบาตกรรมฐานท้าวลาบัตปุ๊บท่านขึ้นไปห้องพระแล้วพอการพระพวิาท่านนั่งภาวนาแล้วจนท่านได้เวลาท่านกินลงมาทันทงานพอทำงานเสร็จแล้วไม่มีแขกท่านก็ลงโบสถ์กลับขึ้นมาท่านก็พักนิดหน่อยบางทียังสิบเอดโมงท่านตื่นนะท่านอ่ะโอ้ยพักมันไม่นานละบัวสามสิบนาทีสี่สิบนาทีเป็นอย่างมากอันนั้น จานั้นมาก็เอาละนั่งสมาที่แล้วก็เดินดึงกลมอยู่ท่านบนถ้ามีแสกมาก็เดินขึ้นบนตอนบ่ายท่าจะลงมาถ้ามีแสกก็ลงมาตามแสกเหมือนกลคืนก็ถ้ามีแขกสามทุ่มท่านก็ขึ้นไปสวนมนต์ภาวนาอะไรลแล้วก็สี่ทุ่มกว่าท่านพักบางทีตื่นตีหนึ่งก็มีตีสองก็มีท่านนั่น นั่นแหละที่ทํามเพียรตั้งแนั้นจนตลอดลูกนะบัววังค่อยไม่เคยนอนซ้ำทันว่งา ง, างั้นนะสทันรับค่อยเจ้าฟังดิความเพียรตั้งท่านชอบมากเรื่องธรรมะนี่ไปนั่งอยู่กี่ชั่วโมงมาตามไม่เคยเห็นท่านเอาโลกอาสงสารเอาการบ้านการเมืองการได้การเสียอะไรมาพูดเลยมีแต่ทําล้วนๆที่เดียวพูดแลนาดนั้นนะคร มาเห ย, ย่เราเรื่องนี้นี่อยากจะได้ความรู้แปลกๆจากเราอมีเฉพาะสองสองทัานเหยื่อจริงนะเอหาอบายซอกแทกถามนั้นถามมีเพื่อจะอาุบายจากเราถ้าว่ามีหนึ่งมีเพื่อนสององค์สาองค์นี่ท่านกับเป็นฝากพูดไปเพี้ถามมีเฉพาะสองสองในท่านจะหาอุบายพูดเพื่ออะไรเป็นเหมือนจะว่าขอธรรมมาจากเรานั้นแหละขออุบายต่างๆของเรา ถ้าถามอย่างนั้นถามอย่างนี้น้องจำเป็นก็ต้องตอบนั่นหละการต่อไปคือการให้อุบายแล้วโอท่านท่านรักกรรมฐ า, านมากใครไปแต่กรรมฐ า, านาท่านไม่ได้นะนี่เป็นความใจดีที่กราบท่านอยู่ทุกวันนี้ผมเคารพท่านมากทีเดียวพอรู้เรื่องนี้ท่านแล้ว นนจะเอาเรื่องโลกหรืงสารมาคุยเวลาพูดเรื่เ่ยเรื่องธรรมะไปปฏิบัติทั้งนูนทัง น, นี้ตก่อนท่านพป็นรรมาฐานนี่นู่นทั้งนี้ยืนประกา่านาจารย์มั่ น, นท่านพาไปนู้นไปนี่ท่านกันเล่าออกกันนั่นกันเล่าเรื่องคาารูบาอาจารย์มีเรื่องกรรมาฐานนั่งกันแหะ ตอนที่ท่านผมเขาจะตอนท่านเขาใจผิดผมตอนหนึ่งเหมือนกันนะท่านท่านมาขอโทษเองนะปีนั้นอนะ่ะปีท่านพ่อแม่กูจาร์เรามาณะภาพอ่ะพอถวายเพลิงท่านเสร็จแล้วผมหลบหนีจากหมู่เพลินมาหนีมาไปทางบ้านผือไปคนเดียวจะไปเที่ยวเข้าไปบ้านผืออำเภอท่าบอกแต่ในป่าในเขาพอดูท่านมาก็ต้องมาแวะวัดโพจะทําไงพ่ออยู่ที่นั่นก็ต้องมาแวะ เลยมาอุดรแล้วไม่ละมันไม่เหมาะเสียวความเคารพก็เลยละมันมะถามจะไปไหนเราจะไปเที่ยวกันนู้นนเออข้าจะไปด้วยบวชโอ้กูตาที่นึกในใจค่อยจะไปด้วยบัว ค, ค่อยจะไปฟ้ อ, ปอนาด้วยท่านก็ไปด้วยท่านไม่ไปแต่ท่านที่ญาติโยมก็หลังหลไปด้วยเร า, ไ ป, า, ไ, ปาไปแหงอยู่ในป่านเราลําคันเพราะตอนนั้นมันใหม่จิด มันหมุนตัวติวต้วตที่มันเข้ากับใครไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้นอกจากอยู่คนเดียวเท่านั้นมันไม่ให้มันว่างงานเนี่ยเพราว่างงานไม่ต้องการความว่างงานเลยว่างงานเลยมันหมุนตัวมันติวต้วติวต้วติวตลอดเหมือนน้ําชับน้ําสูมไหลลินอยู่นั่นด้วยพินิจพิจารณาพิน้จพิจารณา ลําคานมีแขกมีคนเดียวบ้านนั่นขึ้นไปส่งข้าวบ้านนี้ขึ้นไปส่งอาหารบ้านคําด่วงบ้านอะไรอะไแถวนั้นแ่ะผมจําไม่ได้มันหลายปีมาแล้วไม่ไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งไม่วันหนึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งอยู่นั่นแหะขึ้นไปส่งสขาเข้าไปแล้วเขาก็ค้างคืนไม่ค้างบ้างตั้งจากคนที่ไปด้วยมันก็มีตั้งสามสี่คนแล้วจะคุยกันกับพอสภาแตกแล้วแล้วยังมีชาวบ้านที่มาส่งข้าวส่งขวางมาบวกกันเข้าไปอีกเสียมกันลั่น กับผมก็ไปอยู่ไกลๆนู่นลึกๆในป่าท่านรู้สึกท่านจะวิตกวิจาร์กลัวแทนผมอยู่นะเพราะท่านไม่เคยนี่แต่ผมไม่ได้มีความสนใจอะไรกับเรื่องแบบนั้นะเรื่องกระวกล้ากลัวๆอะไรไปทําทางครมในป่าลึกเข้าไปนู่นท่านทราบท่านกับไหนเขาจะไปเดินดูบัวทางกรมเจ้าท่านก็ไปเดินเออนี่ยโอ้ดีละบัวเขาจะไปเดินตรงทางนั่นหัวงั้นเราก็ต้อง ให้ท่านเคียพอท่านเดินแล้วเราก็ไปเดินมันก็ไม่เหมาะแล้วก็ไปทําทางอื่นไปไกลอีกไหนก็ไปดูบัวอีหละ่ะทำไมอุ้ยดีนบัวดีนะใครเดินกลมท่านนี่วะเอ๊ะทำไมทำไมชอบคนนั้นนี่นะความจริงอะท่านท่านกลัวแทนเราท่านไม่อยากให้เราไปเดินกรมดีอย่ังนั้นในคกลางคื น, นเพราะเสือมันชุมเนี่ยความจริงมันตรงนั้น ออกกันนั้นเราก็นูน่นครับขานี้ยิงไกลนะขานี้นะข้ามพวกชาวไร่ไปนูน่นไปอยู่ป่าไม้ยางใหญ่ไกลเท่านเกือบกิโลนี่เนะไม่ลุงจะไม่ต่ำกว่าสิบสิบกว่าเส้นนี่ได้ละโยมก็ไปทําทางจงกรมให้ไปทําแค่ล้านนักเลงให้เราจะไปดี น, นู่น มาขอกินกับข้าวด้วยเท่นั้นแอละเวลาวต่างวันต่างคืนเราจะอยู่นู่นเมืไปทําเสร็จแล้วก็กลับมาท่านก็ทราบเพราะเอายมในไร่มันไปจะทำน้าในบัวจะด่วนไปนะเขคเขาไปดูก่อนรออีกแห่ะถ้าไปดูถ้าไปดูปดแล้วท่านก็ไปนั่งทอน า, าท่านก็แหงท่านไปละลูกหิต พวกญาดิโยกไปนะครับเราไม่ไดไปด้วยล่ะไไปไปดูแล้วโอ้บัว rag, ตรงนั้นมนไม่ดีเหรบวัวบัวค่อยไปนั่งดูแล้วมีแต่ตัวแมงอะไรมันเจาะตาข่อยจะขวายท่านนาวว่าแต่งนั้นแล้ว ป, ประการนึงมันเปรี้ยวนะบัวนะกัวไม่เหมาะแล้วมันเปรี้ยวมากไปบ่ะ<ม> <strom. S 2> จะไปเถอะบ่ะที่เราก็จะฝืนท่านไปได้ยังไงเาพูดอยนั้นเพาะ ข, ข, ของโลกเราก็มาทราบประชานโอ้ที่ว่าท่านกุมนั้นท่านก็ไปเดินทางตรงนี้ทั้งเดือนท่านกลัวแทนเรา เมื่อเมื่อเดาทราบเราทราบ ก, ก็บไปทราบตอนนั้นแ่ะตอนที่ว่าเราทําร้านในเลืยอยู่ในสาวจะไปภาวนามันเปลี่ยนนะบัวนะหน้ากลัวอยู่มากนะวางใหญ่จะไปเถอะจะไปเถอ ะ, ะ, ถอะนีะ่แสดงว่าถ้าเป็นห่วงเรานื่อ เ, เราก็ลาไปนู้วก็ลาไปนี่พราเราไม่สะดวกในการภาวนามันขาดได้ได้เมื่อไหรที่ตอนนั้นอ่ะขาดความเพียรได้เมื่อไหร่มันหมุนติ้วติอยู่นั้น แลจะไปยุ่งกับเราลานี่ไปยุ่งกันดูๆบ่อยๆได้ไงมันก็ลำาลคาหน่อยถอลาไปนูนท่านลามาทางบ้านกลางอะไรทำพระหรือทำอะไรนี่โอ้ยนเขาเป็นโรคนั่นนะบัวโรคอะไรท่านพูดงท่น น, น่ะโรคติดต่อน้บัวจะไปได้หัวอีละลาหลายท่านนโหนท่านก็อุทานออกมาแลวจีนี่เนี่ยเออโอ้ยบัวเอ้ยมงอะ มันไม่สงบเพราะค่อ ย, อยแล้วค่อยกลับไปแล้วเจ้าก็สงบเจ้าก็บสบายแล้วท่านก็ว่านี่เราก็เฉยลาซะจมได้หนีจากท่านมาพอผมนนี้มาไม่ถึงสองสามวันล้วท่านก็นตามมาทอนนั้นเองท่านก็นออกมาผู้ก่อผมกับเขาน้ำผมในปากเห็นไหมเป็นจิตตอนนั้นมันจิตมันหัวเรี่ยวหัวตอ่อโอ้หมุนตี แล้วนั่นจืนได้กลับมามาก็ทุบมาแวนนั่นอีกเนี่ยทางเท้าบว้ไล่ไปให้ไปต่วจกําลัาใจให้จเจริญหมอจเจริญเจริญกาลังเรียนแพทย์ย อ, อ, ยอยู่ให้ไปวจกําลังใจให้เราบัวเนี่ ย, าายกันวเท้าไว้มัดเหล่าไว้กลัวเราหนีได้อีกทั้าทางทั้งกลัวมากกลัวเราจะหนีจากขอบเกือก แ, แล้วนี้เราพอบวชเจริญ น, นั่นเราก็หนีขึ้นตะบนเขาไป อ, อยู่วัดดอยทําจะดีไนงะ มีลราพูดเรื่องอะไรมันถึงไปถึงอำเภอบ้านผืนนะฮะว่าจะมันมันสัมผัสได้ไง่าเฮ้ยท่านจะเป็นธรรมพอดีท่านนักชอบทางกรรมฐานท่านชอบมากเลยท่านเทาน้ำกันเลย ใหากนมากเป็นฝ่ายผมหน่อยว่าใท่านนะท่านไม่เคยได้ว่า้ผมนี่จะผมไม่ว่า้ท่านเลยแค่จะว่าตรงไหนมันถูกนี่นะเพราะนั้นท่านถึงยอมรับนี่ <c oughs> เป็ยังไงท่านอธิชาติอ่ะฟังแค่แสนทุววกข์แนทรมาน ทั้งบังคับทางด้านร่างกายบังคับทางด้านจิตใจตลุมบอนกันเป็จนจะไม่นึกว่ามันชีวิตจะรอดมาบางครั้งทุกขนาดนั้นเห็นมช้อนสุ่นี่ห้าเอากระปีละลายน้ำทะเลใครอยากจะไปละลายอพราไม่เห็น เวลาเราจะเป็นจะตายเขาไม่ได้เห็นไม่รู้เขามารุ่น่ว่าอาจารย์มหาบัวอาจารย์มหาบัวตอนนี้อืตอนเราเป็นเดินตายมาแล้วบางคนก็อาจยกยอไปอาจานมหาบัว ด, ดีงั้นดีอย่างี้ไปเวลาเราจะตายเราไม่เห็นรุ่นครูบาอาจารย์แต่ละองค์เป็นอย่างนั้น ค่าอยู่เลยไม่ได้เป็นของข่าง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบกล้วยหอมพอจะปอกเปลือกแล้วกินเลยแล้วเปลือกทิ้งที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเก็บคนที่เกียจมันมันขี้เกียจเก็บเปลือกกล้วยแต่มันขยันกินมีอะไรเรียบวุ่นเรียบวุ้นแต่เปลือกทิ้งเกินือนพวกเราพวกเปือกหอมมันเแนบบี่ยภานาบ้างัวแต่จะตายไมไ่เรื่องนี้ เวลามันจนกรอบ็มนมุมนะ่ะเป็นเวลาที่ปัญญามันออกปัญญาไม่ยอมจนกรอกมันลอดไปได้ถ้าไม่จนกรอบ็นมุมมันปัญญาไม่เกิดทุกที่เลียดครอบหัวมันติดสุขสุขกที่เลสนั้นแหะผิดให้หลอกเอามาเดือ่อเหดื่อมาลอดว่างนั่นสุขอย่างนั้นสุขอย่างนี้ะ วิเศษมันเสกคุณเตาให้พูเท่านั้นไม่ถึงกับพูพูงี้ก็ไดมนุษย์เราโง่จะตายไปเชื่อมหมดไมเรียนเพลงของมันหรือมันก็รู้ของมันเองทำไมเรียนถึงมันไม่รู้มันเพรามันละเอียดขนาดไหนมันแทรกอยู่ทุกแน่ทุกมุมแปลงความเพียนทั้งหลายทั้งที่เราเราทำความเพลี่ยนนั่นแหละวิเศษมันก็ทําความเพี่ยนองมันไม่สอยแต่เราไม่รู้ว่ามันทำความเพี่ยนลงมัน เราเรามาเอาแต่ลมแต่แล้ง่าเราทําความเคียดเดินในิ่งกรมหยอกยบหยบหาสติสตังก็ไม่ได้นี่เรากรรมเอาแต่ชื่อว่าเราเดินน่งกรมที่กิเลสมันขยับอยู่ในตัวของมันนั้นทําให้เผลออะไรทําให้เผลอถ้าไม่ใช่กิเลสทําให้เผลอนั่นทําให้งกห่วงทําให้เกียร์กีการอะไร ท, ทําถ้าไม่ใช่กิเลสมันทํานั่นนั่นอะมันแทรกอย่างนั้นแต่เราไม่รู้จนว่ามันเรียบมันรู้เองฮะมันอยู่ในหัวใจได้แสดงมาจาก สัตว์ตัวใดบุคคลใดด้วยกิริยาท่าทางเลยเป็นกิเลสประเภทใดมันรู้รู้อู้เมื่อทําเหนือมันแล้วรู้หมดทํำในเหนือมันแล้วจ้างก็ไม่รู้ว่าไงดีไม่ดีมันถูกกล่อมเหมือนอย่างอะไรชี้กระนนไชเป็นตัวฉลาดกูดถึงหนึ่งคนฉลาดกับคนโง่ก็เหมือนกับว่าเราโงู้กิเลสนฉลาดเทียบกันอถ้าก็ว่าตัวชี้กระนนไชใมันฉลาดอะารเออมันฉลาดอะไรว่ากูจะตดซะก็บอกเนี่ยปิดดีๆแล้วไปให้มันดมเนี่อ ลองดูซิอา้แต่ตดใส่กระบอกแล้วปิดไปนั่คนโง่มันต้องมันก็ต้องเอาความโง่่อไปมันเจ้าคนหล่าอะไรไปมาอะไรวะไอ้นี่หัก็จะเอามามาเอามาเขาอหมามึงนี่แหละแล้วกระบอกอะไรันก็บอกตดมึงยาไปทาอะไรกระบอกเปิดกูจะมา้มึงดมเอไม่ใช่มันเอ่ยนี่มึงเปิดดมดูทีอยู่พอเปิดดมุมันย่งอยู่นี่ยนักย่างอยู่แล้วมึงกระดมจะซมดท่าเลยเจ้าของกระดมตดเจ้าของ น, น, นั่นแหละเนี่ยพวกเราพวกดมติดเจ้าของเขง้าใจไหมอืมแงกก่งงโง่กวิเลศเนี่ยนี่อมันเป็นคติอย่างนั้นเนาะมาพูดนีหนะกพวกเราเนี่พวกดนมองเจ้าของคนฉลาดคนฉลาดคนโ ง, ง่มันก็ผิดกันอย่างที่เห็นนั้นนวิเลศมันฉลาดเวลาเราโง่กมันก็เป็นอย่างนี้อ้าวที่นี่เวลาเราฉลาดวิเลนก็เหมาะอย่างที่ว่าขุดขุยเกี่ยวขุดคน้นกันอย่างนั้นนั่นนะ่นนนะคือคุยเกียบขุดค้นหากิเลนศะ เพาะิเลสมันขนาดมันหลบมันซ่อนนี่ไม่คุยเกี่ยวกับค้นไม่ไม่ได้ถึงขั้นทกิเลยไมันหมดอานาจมันชู้เราไม่ได้มันก็ต้องหมอบความหมอบของกิเลสไม่ใช่หมอบจนจนกรอกมันหมอบหาที่หลบซ่อนด้วยความฉลาดของมันน่ะเอาจนกระทั่งมันไม่มีเหลือที่หาที่จะหมอบไม่ได้แตกกระจายไปหมดจากดวงใจอืมทีนี้จ้าขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วโลกธาตุมีครอบหมดตั้งแต่จิตดวงที่บริสุทธิ์เท่านั้นนั่นเราจึงจะได้เห็นเรื่องของกิเลส แล้วมันเป็นยังไงมันปิดเราได้ขนาดไหนมันหลอกเรามาได้ขนาดไหนวะที่นี้มันหลอกไม่ได้แล้วเอาซะสิ้นซากไปเลยไม่ว่าโคตรว่าแท้อายมิชาปัิจยาเป็นโคตรเป็นแท้ของจิเลศสร้างฆาลาแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานเลยปัจจยาวิญญาณญปัญญาณเอาไปังเรื่ยเนี่ยนี่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหรนเป็นหลอนของมันอ่ะออกนั้นก็เป็นหลอกมันาหลอกเราทั้งหมดเลยอ่ะทั้งโคตรทั้งแท้ทั้งลูกทั้งหลานกลายเป็นหลอกเราทั้งนั้น เอาตรงนั้นแล้วลาบออกหมดรู้เลยพี่มันออกมาในแง่อะไรเมื่อไรก็ไม่จะไม่รู้โอ้โหในโลกนี้มีอะไรยิ่งกว่าสิบถ้ามันกล่องก็ได้หมดทุกเพลงไม่ว่าเพลงยากเพลงละเอียดกล่องให้ หับสนิทได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ความโกรธความโมโหตัวโสนเป็นของดีเมื่อไรทําไมมันพอใจโกรธนั่นแหละดูสิอความรักความชั่วไอ้ความละเอียดความชังนี่นะมันเป็นของดีเมื่อไรมันยังพอใจละเอียดพอพอใจชังได้ดูสมิมันหวานไปทุกอย่างล่ะถึงชั่วเพลงดีลๆมันแตากระจายไปจากใจที่เหล่านี้มันเป็นภัยทั้งนั้นมันรู้หมดะไม่รู้ ม, มันแตกไปได้ยังไง แลต่นกเราหลับเป็นไงแต่นกเข้าใจั้มฟังเทศเนี่ยเข้าใจเนี่ไม่ใช่พูดโดยเฉยเหรือเข้าใจจริงเหรืออ่าท่านจันหลับเป็นไงอาจันเข้าใจหรืออืมเมื่ขณะที่ฟังเทศจิตมันอยู่กับตัวไม่สงบไหมสงบครับ อ, นะอืมคือฟังเทศให้ตั้งความรู้ไว้ที่ที่ความรู้นี้อย่าส่งมาภายนอกแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศก็ไม่ควรให้ตั้งความรู้ไว้ตรงนั้นเหมือนกับว่า ฝนตกมาละเราภาชนะไปตั้งลงตั้งลงที่น้จาจะไหลลงมันต้องเคลื่อนต้องย้ายไปไหนแล้วฝนตกมันก็ไหลลงมาของมันเองจิตของเราก็ตั้งเป็นภาชนะขึ้นรับเสียงธํากระแสของธําก็จะผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปความรู้สึกของเราก็จะสืบต่อกับกระแสของธํามเรื่อยเรื่อยไปต่อไปจิตของเราก็สงบสงบสงบจนลืมเนื้อลืมตัวไปทาโกตะจิตกับ กระแสของเสียงกระแสของทำที่สัมผัสในความรุ่นแยกแยกแยกเยกแยกแยกจีก็สงบแนวลงไปเพราะฉะนั้นภาคอ่าการฟังเทศนี้ยิงเป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งเราไปทำโดยลําพังเรามันก็ไม่ค่อยสงบ พ, พอฟังครูบาอาจารย์เทศน์มันเหมือนกับกล่อมลงไปให้สงบเย็นอ่ะมีเลยะพูดไเรื่อยแต่พู ด, พ, ดพูดเสียงดังขึ้นเรื่นนอยๆอ่ะ